ภาษาบ้านเราเรียกว่าคิดให้ดีไปให้ดีมาให้ดีพิจารณาให้ตรงท่านสอนอย่างนั้นคนุณโบราณท่านสอนไ ม, ไม่ได้ทำอย่างรุนแรงทำซาซาทำซาซาแต่ผลมันได้มากที่สุดดังนั้นการทำความรู้สึกตัวนี่สามารถที่จะให้ทุกคน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 ความตายมันเดินเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆเข้ามาพูดกันเรื่องความตายนะครดังนั้นคนทุกคนจึงรีดคนความตายไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรารู้สึกวิธีตายนี่แหละก้อนแก่ที่ยังมีลมหายใจอยากให้ทันความตายมาถึงเข้าถ้าความตายมาถึงเข้าแล้วก็จะเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์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 จวนเราจะหมดลมหายใจเราจะรู้วิธีนี้ได้ล่วงหน้าแน่นอนที่สุดเพราะพระพุทเจ้าท่านสอนแล้วหมามันเกิลูกแม่ลูกอ่อนนะมันกินนมแม่เหมืนบ้างไหมเออกินนมแม่มัอนนะหมาไม่ต้องกินนมแม่เหมืนหอนตัวหมูเคยเห็นไหมหมูมันกินนมแม่เหมือนบ้างไหมกินนมแม่มั น, มมมนที่เราเห็นด้วยตาเราเนี่ยตัวงูตัวควาย มันเกิดมามันกินนมแม่มันใช่ไหมคนเกิดมามันต้องกินนมแม่มันเหมือนกันและบัณฑิตหมามันกินนมแม่มันง่ายขึ้นมาแล้วแม่ไปไปแย่งอาหารมันกัดแม่มันเคยเห็นม้างไหมแหน่เป็นอย่างนั้นเนาะคนถ้าเป็นอย่างนั้นกิดหน้าตาแข้งขามือเท้าเปลี่ยนคนจิตใจเป็นสติเลสานก็ได้เลยการทําการพูดการคิดไม่รู้จักจิตใจตัวเองแล้วเขาว่าคนไม่มีผมละอายในใจใช่ไหม คนไม่มีความละอายในใจจะว่ายังไงก็ว่าสัตย์เดรัจฉานมันมีผมละอายมันอยากขี้ที่ไหนมันก็ขี้มันอยากเยี่ยวที่ไหนมันก็เยี่ยวไปสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเห็นคนไล่ขายมันก็ไปเงงขาขึ้นก็เยี่ยวลถตนมาบางคนไม่เยี่ยวรถตนก็มีนะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยคนเราถ้าทําอย่างนั้นไม่ใช่คนนะแทงขาหน้าตามือเท้าเป็นคนใจมันเป็นสัตวาาเ์เดรัจฉานแล้วจะถือว่าคนนั้นเป็นคนประพฤติดีปฏิบัติสอบไหมไม่ได้ จว่าคนที่เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เขาวอาคนมีชาติทิพย์พระพุทธเจ้าท่านสอนสอนของจริงเราสมมุติให้ฟังไม่ต้นเดียวขึ้นอยู่อย่างนี้ลมพัดมาแรงๆตุ้มหักทันทีอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยหลายลำเอาลำเล็กก็อาศัยลำโตลาโตก็อาศัยลำเล็กแม่หญ้าแพทย์ที่แท้เนี่ย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 ความผิดก็นําความเดือดร้อนให้เราทุกคนไม่ต้องการความทุกข์ทุกเกิดขึ้นเพราะเรื่องอะไรทุกเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้จักหน้าที่นั่นเองเราทําผิดพูดผิดคิดผิดคนนั้นพูดขัดใจคนนี้พูดขัดใจอันมันขัดใจแต่มันสบายไหมไม่สบายไม่สบายจะไปมาขัดทําไมมันก็สบายใจไม่ต้องขัดใจใครจะพูดยังไงก็ขอห้ามเขาไม่ได้เราต้องห้ามใจเราที่ พระพุทธเจ้าทัางสอนเอาอสนะคนอุลร้อยทีพันทีไม่มีประโยชน์เท่าอาสนาตนทีเดียวท่านเดี๋ยวนี้มันพูดไม่ได้มึงอย่าพูดให้กูนะมึงตําหนิกูนะเนี่ยเอาเขาพูดเสยๆ เ, เพียงลมปากเท่านั้นเองต่อด้วยมาทําการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่นา น, นจะมาทาอันนี้พูดคนจริงนั่นเองเอาคนจริงมาเล่าให้ฟังไม่ต้องพูดเรื่องอ น, นิสงส์อะไรไม่นาน ทิศมือไปยกมือมาให้มีสติตามรู้ไหริดว่าสติก็ได้ไม่ว่าสติก็ได้ให้มันมีความรู้สึกเนี่ยวันนไปที่ไหนมันรู้เอียงซ้ายเอียงขวาให้มันรู้ปุ้มเงยให้มันรู้ทิศตาให้มันรู้หายใจเข้าให้มันรู้กลินน้ำลายให้มันรู้ให้มันรู้จริงๆเนี่ยแห่มันรู้เองเพราะเราเมื่อเราไปตั้งสติแล้วก็เลยรู้เมื่อเราไม่ตั้งสติไม่รูที่นแรกมันเคลื่อนไหวทิศตาดิทิศมาตั้งแต่ตัวนี้ให้ว่าหลุดจากท่อแม่มาประทิศตาอย่างนี้มา หายใจก็เหมือนกันรูนจักท่องแม่มาแล้วก็หายใจมามอนกันผมคิดก็เหมือนกันมันคิดมาแต่ไม่รู้แต่คิดตานี้ไม่เคยกำหนดแต่หายใจเคยกำหนดพ่อดีมาลูเรื่องนี้เคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็รู้คิดตาก็รู้บ้หายใจก็รู้อันนี้เป็นพักต้นเมื่อรู้อันนี้รู้เข้ารู้เข้าเคลื่อนไหวโดยเมื่อรู้อันนี้ก็เลยรู้ตัวจริงขึ้นมารู้ออกนอกตัวไม่ได้อันเนี้ยรู้ในตัวเองจริงๆ ลู้พลิกมือขึ้นเนี่ยโอ้ไม่เคยรู้เนี่ยก็ต้องภูมิใจเลโอ้เนี่ยท่านว่ารูปนามทุกขังอริยเจ้านักษาเรื่องอนิญาตศีลมาอยู่ที่ตรงนี้ก็เลยเข้าใจเรื่องอนุญตศีลสิักดิสิทธอาตมาเคยพูดให้ฟังบุดรบุเหมือนเอาเสื้อเส้นเดียวมาคึงไว้ตัดตรงกลางมาแล้วมันไม่ถึงกันแล้วอันนี้แหละหมักมันไม่ถึงกันแล้วมันก็พูกงตอกันไม่ได้มันก็มันก็เป็นดีโลดมันกบตัดวงจรเนี่ยมันก็ไม่เป็นวัตถะแล้วบันี้มันไม่มีเรื่องอะไรนาโยม เล็กคุบาอาจารย์ทุกท่านแต่มันมีเทคนิคมันมีนกลไกเทคนิคมันเป็นยังไงสันน่ยมกลไกมันเป็นยังไงสันนี้มันต้องปฏิบัติกันจริงจัง <c oughs> ไม่เอาจริงเอาจังไม่รู้เรื่องเพราะาอาตมาเคยเห็นอาตมาพูดเรื่องนี้มาตั้งตีปีพศสองพันห้ารอยเป็นโยมพูดหมาอ่ะสองปีกับแปดเดือนเป็นโยมสอนมารู้แต่คนมันก็เออกันไปที่คําพูดเพราะตำนานามันมีที่บ่นมาบวชวันนี่ยบวชกับพูดเลย ก็ต้องการอย่างนี้เพราะเจ้าของชอบอย่างนี้ใครจะพูดยังไงก็ตามเราจะพูดความจริงให้คนฟังเข้าใจอย่างไงอันนี้เนี่ยของจริงแท้ๆอันนี้แหละของจริงของสั้นๆไม่ไปทําให้มันยาวนะขอสบายๆไม่ต้องไปทํามันมันยุ่งถ้าเราไปทําของสั้นไปให้มันยาวมันก็นานจบทําของสบายๆมันยุ่งมันก็ยุ่งขึ้นมามันก็เลยไม่เข้าใจเลยที่พูดนี่น่ะอังควมรู้สึกอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะไปบังคับได้จริงๆ จะทํารู้เดี๋ยวนี้เนี่ยรู้ข้างเดียวมันกไม่ได้เมื่อก่อนเราไปเรียนหนังสือเนี่ยพวกพวกหนูเรียนหนังสือเอาคนจะได้ปริญญาไม่กี่<ม>ปีเอกพุทธ<ม> <laughs> ตากี่ปีพุทธี่ปีเจ็ดปีพุณน่าจะตั้งหลายปีนะเขาจะได้ปริญญาต ร, ารีปริญญาโทปริญญาเอกมาพูดเนี่ยจะเรียนกอไก่ะถมนึ่งผสมสองบ้านหลวงพอเขาเรียนกันแล้วเดี๋ยวนี้มีมีโรงเรียนปีหนึ่ง ยังยังงไม่เป็นอันนี้เรามาพลิกมือบันเดียได้ย้ามันครบมันก็ไม่ครบแล้วเนี่ยมันมันมันมันพอแหงเลยมันเป็นสัมดาห์มากเราต้องมาฟื้นปูกอันวิธีรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการไถถอนเอาคําสอนของพระพุทเจ้ามาให้มันเข้ามาสู้กับโลกนี้ได้โลกคือค่อยมาสู้ตัวเรานี่แหละแล้วไปสู้คนอื่นนั้นบางทีเขาจะไม่ชอบแล้วก็เล้ยวไปเราไม่มีเรื่องอะไรแต่ว่าควรที่ทํา อันนี้แหละเป็นการทําให้หลักพระพุทธศาสนาเจริญจริงๆไม่ต้องไปอะไรมากกันทําไมถึงว่าหลักพระพุทธศาสนาเจริญได้เอ้าเราก็ได้ยินอยู่แล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาจะเจริญ ง, งอกงามก็ต้องอาศัยบริสรัทต์คือภิกษุภิกษุนี้อุบาสกอุบาสิ ก, สกาเนี่สิประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระน์ธรรมใดๆหรือตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วมรรคผลนี่ผ่านไม่ว่างจากโลกนี้ในทางตรงกันข้า ม, มันเนี่ย พุทธศาสนาจะเอันตระธานหายไปก็ต้องบริษัทซีนี้เองไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่ทําให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยก็หมดไปเท่านั้นเองดังนั้นหลักวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยหมดไปนางแล้วเราก็มีที่เดียงไปพูด ก, กันได้ว่าสติประธานซีอันนี้สงสติประธานซีมีที่พูด ก, กันอย่างนั้นแต่ไม่เอาวิธีมาทํามันก็ไม่มีเทคนิคมันก็ไม่มีคนไข้มันก็เลยไม่รู้ที่บริญญาคุณพูดแตถือว่าตัวเองอวดดีกันที่วัไม่ไ ด, ด่อวดดีเอาคนจริงมาพูดให้ฟัง ไม่ไดอวดดีนะอัเนี้ยไม่ได้เรียนตําราจะมาอวดดีทําไมจะเอาคนจริงมาว่ายบอกเอารับรองวิธีนี้รับรองจริงๆทีแรกรู้รูปนาเข้ามามันจะเป็นโดนิปัสนูรู้ทันทีไม่มากกว่็น้อยอ้าวตอนรู้จากควมคิดเข้ามาเนี่ยมันจะจิตใจมันจะวันที่มึงนะเราเมื่อจิตใจเราจะเปลี่ยนออกจากภาวะนี้ไอเข้าสู่สภาพนั้นเป็นปีใหม่ขึ้นมมันจะเป็นจินตายันเป็นปีสี่เป็นเหตุยังไงบัดนี้เมื่อมันเข้าสู่สภาพนี้แล้วมันจะไปถึงที่สุดของทุกมันจะเป็นนิพพาน มันต้องมีเทคนิคมันต้องมีคนไกลบุกคนที่สอนต้องรู้จริงๆถ้าไม่รู้จริงๆเอาเราไปก็ไม่ถูกหากไม่มากก็น้อยเราจะไปหลงทางจริงๆนะอันนี้ยถ้าหากมีทางดีๆแล้วมีคนเดินหน้าดีๆออกไปทาํานี้อย่าไปท่านเลยเราก็เดินทางไปมันก็ไม่นานก็ถึงทีง่มันเดินไปหลงกวกคนอยูดมัดนโยกับคาแล้วะันเหตนี่เป็นอย่างไ น, นชีวิตของคนมันไม่รอคอยไม่รอคอยแต่แ ท, ท่วันหนึ่งก็มีสิบสองโซ่โมงเนี่ย คืนหนึ่งกับสิบสองชั่วงก็บยี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วหมดไปแล้วมันกินเราอันนี้แหละมันกินเราพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเอาไว้แต่ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้านายพ่อแม่ก็เคยได้ว่าให้ฟังครูบาอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังคนเกิดมาหลายปีเลยแต่ไม่รู้สภาพภ า, าวะของจิตใจเกิดดับ อันภาวะจิตใจเกิดดับนี่มันเป็นเอาพลิกมือขึ้นมันเกิดมันดับมันคิดมันเกิดมันดับอันนั้นอรตะมาไม่ได้พูดนะอันนั้นอันนั้นมันเกิดดับอันนี้ใครก็พอที่จะรู้ได้เนี่ยปฏิบัติรู้จากลูน like! ้ำรู้ทันทีอันนี้เกิดดับอันนี้พอดีรู้จักจิตใจเกี้ยวภาพสภาพนั้นประโยชน์สภาพนั้นก็รู้จักขึ้นมาอาการเกิดดับแบบนี้แต่ไม่ใช่เป็นอาการเกิดดับที่ตัวอรสมาพูดนี้ทําไมจะไม่ใช่มันพูดในเส็ยงแต่อาการเกิดดับคําเดียวกันมันมีคั้นมีตอนอย่างนี้ คือเรื่องสงบนี่ก็เหมือนกันมันเป็นขั้นเป็นตอนมันไม่ใช่สงบแบบนั้นมันไป็สงบคนละเรื่องกันมันเป็นอย่างไงตอนนี้คนเกิดมาร้อยปีถ้าหากไม่รู้จักรูปเกิดดับใจเกิดดับสภาพอันนี้ยังไม่เข้าสู่สภาพเข้ามาจริงๆชีวิตคนนั้นเป็นไหมสู้บุคคลที่เกิดมาเพียงวันเดียวเข้าใจและปฏิบัติให้รู้สภาพภาวะอันนั้นคนที่เกิดมาเพียงวันเดียวเนี่ยรู้เห็นเข้าใจ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 แต่เมื่อไม่รู้อันนี้กับพูดไปทั้งวันทั้งคืนกับพูดกันคดีเหมือนกันแต่พูดทุกวันนี้ก็ไม่เหมือนทุกวันเนี้ยพวกท่านมาฟังนี่ก็รู้สึกโอ้ย ห, หัวใจฟังไม่ได้เรื่องหรือว่าอย่างนั้นแต่มันเป็นเนื้อแท้เนื่อเป็นหัวใจจริงๆทุกคนศึกษาได้ทุกคนต้องมีแล้วอันพร้อมแล้วมีแล้วแต่ว่าเราจะทําให้มันมี่รื้อทําให้มันไม่มีจะทําให้มันปรากฏขึ้นมาหรือจะไม่ทำตอนนั้นเองแต่เมื่อไม่ทําให้ปรากฏจริงๆเรื่องนี้แม้จะไปรักษาศีลอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่ง จะไปทํากรรมฐานกับไปอีกเรื่องหนึงจะไปอะไรก็ตามก็เป็นคนละเรื่องเลยเพราะการเคลื่อนไหวเนี่ยมันมันเข้ามาสายนี่ทีเดียวมันเป็นลูกปนแจลูกเมธิ์พมันไม่ใช่เป็นลูกกปนแจลูกนั้นจะถามกับไปทางนี้มันไม่ใช่ไปทางนั้นควรต้งบมันจิ๋ว่ามีสองอันมันแยกกันที่ตรงนี้ทีเดียวกาศึกษาปีนี้เป็นปีเก่านะต้องศึกษาวิธีคนของเก่าจริงๆเนี่ยของเก้าตัวเราเกิดมาแล้วก็เป็นของเก้าที่มูลระดกอันนี้ยพ่อแม่ให้มาแล้วพ่อญาติตายายให้มาแล้ว หลายชั่วคนแล้วท่านให้มาแล้วแต่เราไม่เคยเอามาใช้ของเก่าเนี่เอาแต่ของใหม่เรื่อยไปมันก็เลยไม่รู้ของเก่าเลยเลยไม่รู้จริงๆริงอาจจะมาอายุสี่สิบหกปีอย่างลูกอลาโถมันแทบจะตายไปเกือบแล้วนี่มันมันจะเสียหลักแล้วเป็นอย่างนั้นคมรู้อันนี้เน่ะเราจะเอาเงินไปซื้อไม่ได้จะเป็นเรียนตำนานแล้วให้มันรู้อั น, นี่ก็ไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงจรเรื่องนี้หรือจะไปฟังประถามแก้ปัญหานนคนนั้นคนนี้แบบแก้ไปได้อันนี่ อาตมาเคยเคยไปแก้ปัญหากับอาจารย์อาจารย์ถามมักพิกเผ็ดไหมสพรามันรู้แล้วเนี่ยมักพิกไม่เผ็ดมักพิกกับมักเข็รอันเดียวกันนะเกลือเค็มไม่ไม่เค็มน้ำอ้อยหวานไหมน้ำอ้อยนงำัาลไม่ไม่หวานอาตมาบอกอย่างนี้ทําไม่กินมักพิกไม่เผ็ดมักพิกมันอยู่กระทอพุ่นอยู่ตับต้นเหมืนคุณมันได้กินมันจะเผ็ดไม่ทำไรเกลือมันกระยูพุ่นอยู่กระทอมพุ่นอยู่ไกลไพุ่นมันก็ไม่ไม่เค็มน้ำอ้อยน้าตาลก็ยุ่ที่ไหนพวกมันไม่ได้กินมันมันมันไม่หวานไม่เปรี้ยวอะไร กระตอบอย่างนี้เลยบอาบ้าๆมันก็ บ, บ้าจริงๆเขานั้นไม่รู้มะเข็ดนี่มันเผ็ดใครถานกับมะเข็ดมันเผ็ดแต่วควาจริงตัวเองไม่ได้กินมะเข็ดเลยไม่ได้กินน้ําอ้อยน้าตาลอยู่ที่ไหนก็บมีคนถานกับหวานเกลือก็เค็มแต่ควรจริงอันนี้ก็เหมือนกันโอ้หลักพระพุทธศาสนานี่เมื่อคนเข้าสู่สภาพภาวะอันนี้เนาะมันจริงมันแนบแน่นอยู่กับสิ่งไม่จริงอันนี้แหละมันเป็นทุนของทุกคนควรที่ศึกษาเอาอไว้ เมื่อลูกอันนี้ยชีวิตของเราจะมีราคามากมีค่ามากที่สุดเพราะว่าซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ชีวิตนีนจึ่งไม่มีราคาคนขายพันหนึ่งสองพันล้านหนึ่งสองล้านไม่มีคนซื้อเลยและก็ไม่มีคนขายเลยเป็นอย่างนั้นจังหว่าชีวิตเรียควรให้มีราคาจริงๆแต่เราไม่สนใจเรื่องนี้เราไปสนใจเรื่องอื่นมันก็เลยลูกจะเรื่องอื่นไปบัดนี้ก็อยากเตือนพวกเราให้พวกเราทําจริงๆเมื่อมาแล้วอย่ายมันเสียเวลา แต่รวมคิดอันนี้อาตมาเคยพูดเอาไว้ว่าศึกษาแบบใดก็ได้นั่งนอนได้ทั้งนันแต่วอาอาตมาพูดได้ได้คนที่รู้แล้วคนที่ไม่รู้ไม่ได้ตัวอาตมาไม่ได้อาตมามาทำอย่างนี้อาตมาจึงรู้รู้รู้แล้วอาตมาไปนอนทำก็ได้นั่งทําก็ได้ยืนทําก็ได้ไม่เคลื่อนไม่ไหวเด่นก็ได้อาตมาแต่ก็ต้องทําเป็นยังไงเด็กต้องทําที่ทําปูสาพระพุทธเจ้าทําปูสาพระธรรมเจ้าทาปูสาพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือใครเลยพระพุทธเจ้าก็ดขมรู้นั่นเอง พระธรเนี่ยคือการกระทำนี่เองพระสงฆ์คือปฏิบัติตามที่เรารู้นั่นเนี่ยจังว่าไม่เป็นคนอากาสัญญูเจ้าของรู้ <m ai> ม, รมันจะไปทิ้งบางคนไม่ตามเลยเนี่ยเป็นคนอากาัญญูส่วนว่าไม่ใช่ว่าอากาสัญญูอย่างที่เรา เ, ออ <m ai> เป็นอย่างทั้นที่ไม่ใช่อากาสัญญูคือเป็นคนลบล้างตัวเองยังว่าคนไม่เคารพตัวเองเนี่ยจะไปเคารพผีได้ไหมไม่ได้จะไปเคารพเท ว, วดาได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่เห็นผีมันจะเคารพผีได้ทำไม มันไม่เห็นเทวดามันจะขอลบเทวดาไทนมันต้องเห็นตัวเองเคารบตัวเองจึิงเป็นการคอลบผีเป็นการครอลบเทวดาเป็นการคารบตัวเองเป็นการคาลบอะไรทั้งหมดเลยคนถ้ารู้จักตัวเองแล้วถ้าไม่รู้จักตัวเองแลนกคาลบไม่ถูกต้องจริงๆนี่ดังนั้นให้พวกเราถามจริงๆตาลาเขาบอกไว้แล้วว่าเจ็ดปีเจ็ดเดือนหนึ่งวันถึงสิบห้าวันมีอันนี้สองสองประการะนึ่งเป็นพระอรหรันต์สอเป็นพระนาคาเมธันวัน มียื่ในหลักสูดธรรมวิจารณ์อาตมาได้ดูแต่วิธีนี้ไม่ต้องเอาจากนั้นหน่อยไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องเป็นพระนาคามีแต่ทุกข์นันจะลดน้อยไปคลัวมสงสัยนั่นจะหมดไปนานี่ความสงบบนยุทธะตัวนี้สงบแบบนี้ไม่ต้องไปนานเลยสงบเพราะการหยุดเรียนสงบพเพราะหยุดการไปศึกษากับคนนั้นคนนี้สงบพเพราะหยุดเพราะไ ม, ไม่ไม่ถามใครแล้วพอเจ้าของเรียนจบมาแล้วควัวสงบแบบนี้ไม่ใช่สงบแบบนานจริงปะสงบแบบนี้คืไปทําการทํางานอะไรได้ทุกอย่าง สงบแดดที่อาจะมาพูดเขียนหนังสือก็สงบเพราะเราไม่รู้ก็ต้องเรียนอะไรเรื่องชีวิตที่สงบแล้วไม่เดนะือนร้อนนี้เข้าใจอย่างนีน้สงบอันนี้ต่างหากเนี่ยควรสงบที่ไปนั่งสงบนั่นอีกเรื่องหนึ่งกลับมาที่หน้าก็จะไม่สงบอีกแล้วมันเป็นอย่างไงควรสงบอันนี้เป็วันหยุดอันนี้มันจะเข้าสู่สภาพเข้ามาจริงจริงทำรับรองว่าไม่เกินสามปีทำจริงจริงนะติดต่อกันจริงๆนะแต่ว่าเป็นคนพูดจริงอีกด้วยนะไม่ใช่ว่าทำสามปีเล่นเล่นเะนีไม่จริง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 เมื่อกับปิงเนี่ยมาจับเราเราดึงปิงมันไม่อยากออกเลยเอาปูนกับยาไปคลุกน้ําแล้วเอาน้ําปูนน้ายามาบีบกับปิงมันล่นมันพอดีปิงมันล่นมันก็เบาขึ้นไปเมื่อปิงมันจับเรามันดูดปิงด้วยเรามันก็หนักมันก็ติดเรามันกมันไม่ออกดื้อมันก็หนักอยู่แล้วน่ะบัดนี้อยากไปจับปิงเอายากับปูนนี่ไปคุกน้ำมาบีบน้ํายาลงใสทีนี้พอดีน้ํายาน้ําปูนไปชุบตัวปิงมันล่นเลยพอดีปิงมันล่นแล้วมันก็เบาขึ้นไปเบามันก็สบายใจขึ้นมาน มันกต็ตกใจไี่คนถ้าถ้าคนเคยท้าของหนักมาแล้วเนี่ยคือจะพูดถึงวัฏฏะสงสารนี่ยจะไม่ต้องพูดละมือเนี่ยเพราะว่าพูดมานานแล้วนี่ให้เราทําคมรู้สึกตัวนี่จริงๆแต่ว่าใจมันคิดให้รู้ไม่ใช่รู้รู้แล้วเข้าไปในความคิดไม่ได้เ น, นี่ยพอดีรู้ปุ๊บอยากไปดูมันความคิดเน่ยกลับมาให้มีสติอิสตุลุทธิ์ถ้าไปดูความคิดมันจะลอกเอาทันทีเลยความคิดนี่ยอย่างเช่นว่าทที่นี้ก็จะหนีจากนายหายสู น, น่ะมันจะหนีจากเราไป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 แต่เราไม่เคยรู้เราไปติดตํา่ามันก็เลยว่ามีแต่ทุกสมุทัยนี่รุนมากไปแปลกันที่คุณอันนี้เอาของจริงมาเล่าให้ฟังแต่ดีรุ่ตัวนี้นนดดดนนกับนีน่รุ่พื้นเดี๋ยนี่โรุ่นเบื้องต้นกับรุ่นแลกวรุนนานกับหมดสงสัยกับพ้นไปแล้วก็เป็นนีโรุ่น้อยบัดนี้มีนีโรุ่นขั้นที่สองเข้ามาเราก็จะมาลูกคมคิดความหนักอกหนักใจมันก็จะพ้นไปมันก็จะลุดไปกับเป็นนีโรุ่ที่สองเนี่ยคำอนี้รุ่นคำเดียวนี่แหละมันก็เหมือนกันเอ๊่นี้่รุ่นคำเดียวนหลายั้นมันม ดีว่ามันมีทิศเมันมีคนไก ค, คนที่รู้เทคนิคคนที่รู้คนไทยจริงๆที่จะเอามาพูดถึงได้จริงๆที่พูดเนี่ยบางบางคนก็จะอึด อ, อัใจนะแต่เอึดอัดใจแต่ดีนะถ้าใครทำเพื่อได้ไปปฏิบัติมันจะเป็นยารักษาโรคในหายจริงๆคาว่านี้โลดตัวสุดท้ายเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไม่หงษ์กลับแล้วมันจะเข้าสู่สภาพเข้ามาจริงๆมันไม่หงษ์กลับร่างกายที่เข้า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 หรือปฏิจาจาสมาปรบากก็ไม่ต้องพูดหมดหือเอาตัวนี้เข้าไปแก้เลยรับรองแก้ได้ทุกวิถีแปดหมื่นสี่พันพันธมะขันนั่นอันนี้แหละออกไปจากจิตตัวนี้ทีเดียวเมื่อแม่เอาจิตตัวนี้ไปพูดไม่มีจะพูดเลยว่าถ้าสูตรพระวินยัยสองตีดกคือตายหนึ่งคาพูดหนึ่งไปเข้ากับตีดกเดียร์พระพิคำพระพิคำก็คือตัวใจมันคิดมันสั้างมาคุณจิตวันนี้เรามาปฏิบัติตัวนี้เนี่ยมันรู้ตัวนี้ใจมันคิดมันเห็นก็กินกันไปทั้งหมดเลย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 เป็นแก่นเป็นใจกลางคนตัวพุทธศาสนาจริงๆคือตัวหลุด ค, ค้นนี่แหละโตดับพ้นได้นี่แหละนี่แหละพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็คืออันเดียวนี้ท่านจึงว่ากับทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแนวแห่งนั้นไปถึงที่ไหนเดินไปติดไม่ตรงเดินไปคือมาถึงมันเคลื่อนไหวรู้ทําตามท่านอันนี้ท่านว่าเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแนวแห่งนั้นจึงนำมาสอนพวกเธอท่านห่าให้ทําความรู้สึกอันนี้ท่านว่าน แล้วก็จะรู้อย่างเราตะถากตนี้ก็จะเป็นอย่างเราตะถากพนี้ก็จะไปถึงที่สุดอย่างเราตะถากพนี้ทันวันแต่เราไม่ยอมทำนั่นเอคือไม่ยอมทําตามมันก็ไม่รู้ตามที่แบบเมื่อทําตามท่านก็ไปตามทางได้เพียะนั้นเองบัด น, นี้จะรู้ยังไงเดินไปก็ท่านนั่งอยู่ที่นี่เห็นใจมันคิดท่านก็รู้เลยเราก็เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตัดจะรูเพราะการทําทางจิตทางใจเลยเราทํายังไงทําทางใ จ, งงใจมันทําะไรไม่ได้แล้วก็มาเอาความเคลื่อนไหวตัวนี้ทํา เมื่อความเคนไว้ตัวนี้มันก็ไปทําได้มันเป็นอัตโนมัติมันไปเลยดังนั้นจึงหวางวิธีที่อาตมาพูดนี่เป็นวิธีรัดนัดตรงเข้ามาเลยไม่เสียเวลาเลยนั่งเขียนหนังสือก็ปฏิบัติได้จับของขายก็ปฏิบัติได้ถ้าเปลี่ยนแล้วนะถ้าไม่เปลี่ยนแปได้ได้อย่างนี้นนะได้ขึ้นพื้นเล็กเดือไปเลยเมื่อเรารู้แล้วทําอะไรได้ทุกอย่างจะทําการทํางา น, งานตามหน้าที่ของตัวเองเพราะเราเป็นคนเนี่ยเขาต้องรู้จักหน้าที่ของคนที่เมื่อเราเป็นเทวดาก็ต้องรู้จักหน้าที่ของเทวดา เมื่อเราเป็นพระอินทรพระพมขอต้องรู้จักหน้าที่ของพระอินทรพระพมเมื่อเราเป็นพระขอต้องรู้จักหน้าที่ของพระที่พระเนี่ยมันหลายความหมายนงครับพระกระเปอผู้สอนคนโยมจูสอนคนกระได้อาจมาสอนมาแล้วสองปีกว่าแล้วก็เป็นพระได้ข่าวนั้นนุ่กางเกงนุ่งกางเกงนะเดินจงกรมไปอยู่ผมกับยาวอีสเด้ด้วยนะอเป็นพระได้เดียวที่มันคิดขึ้นมามันคิดขึ้นมาเองไม่ใช่คิดมันเกิดขึ้นมาเองเนี่ยเขาว่าเขาว่าถึงผู้ก็ไดนะครับที่สุดแล้วอย่าญยมมีเขาว่า